ขณะที่เดินมาเนี่ยผมคิดแลวะวนะถ้าผมเพียงแต่ว่าผมโบกรถแต่เพราะว่าคนในซอยก็พอเห็นเห น, หน้ากันอยู่่ะถ้าผมเพียงแต่โบกรถเท่านั้นเนี่ยผมก็คงจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกมาได้ใช่ไหมฮะแต่ผมก็ตั้งใจว่าเออเราก็ควรออกกําลังนะนีถ้าหากว่าผมโบกนะถ้าผมโบกนี้เป็นประโยคน์ค่าอย่างหนึ่งนะ ทำให้ผมไม่ต้องไปตากฝนไม่ต้องอะไรเดินออกมานี่ยนะนี่เป็นประโยชค่าอย่างหนึ่งนะแก้วิบากที่ไมเดีย น, นั้นได้เลยนะนี่ก็เห็นว่าประโยคค่าเนี่ยนะมันแก้ได้นะมันแก้ไขในเรื่องผลของกรรมได้ผมบอกผมนึกในใจเลยถ้โบกเดี๋ยวนี้ผมได้ขึ้นเดี๋ยวเนี้บอกว่ามันจินหน้าคกันอยู่ใช่ไหมถ้าไม่โบกนะครับแสดงว่าความคิดใหม่ละนะความคิด เราคิดว่าเรากำลังเดินไปฟังพระธรรมที่วัดพระเชตวันเมื่อไม่เลวเหมือนกันนะนะเอ๊ะคิดอย่างนี้นี่นะเป็นกุศลนะนะพอเดินเดินมาหน่อยซ อ, อยนั้นก็มีคนเดินนะโดมากมีแต่รถนะหมามันดุใช่ไหมหมามันดุตอนนี้เราคิดว่าเออถ้าเราทำกรรมมากไปมันกัดกัดไปที่ถูกกัดแน่นอน เราก็หาไม้มาอันถือไว้การที่ไปหาไม้มาถือมาอันหนึ่งนี่นะเป็นประโยคะอย่างหนึ่งนะถ้าพลาดพลั้งวยตัวใหญ่ๆมันออกมานี่มันช่วยกันยุ่งเลยอ่ะนะเพราะฉะเราจะเห็นว่าไอเรื่องความคิดทั้งหลายเนี่ยนะฮะในมโนทวารเนี่ยมันจะหมายถึงประโยคะนะมันก็เป็นประโยชคะนะมันเป็นวิตกมันเป็นอกุศลวิตกมันก็เป็นอกุศลวิตก มันเป็นกุศลวิตกมันก็เป็นกุศลวิตกเพราะว่าระยะหลังนี้ผมสนใจในเรื่องวิตกะเนี่ยมากเพราะว่าการคิดเนี่ยถ้าคิดดีนะมันคิดไปถึงโน่นเลยนะมรคนเลยนะแล้วเมื่อวานท่านมาย้ำอีกนะถ้าคิดไม่ดีลองคิดึสังสตาทิธิสักกายทิฐิคิดบ่อยๆนะเป็นเลยอะ่ะเป็นมิจฉาทิฐิเลยนะเป็นอุดเฉททิฐิก็ได้เป็นสังสตาทิธิก็ได้ถ้าเกิดนิยตะโอ้เรียบร้อย ลงนลรลกแน่นะแล้วก็วันนี้ก็ไปอ่านพระสูตรที่ท่านอาจารย์ตุมบัติแนะนําอะไรนะสังสันฐานวิตกะสันฐานอะไรสูตรนั่นนะวิตกกะสันธานสูตรกับทเวทาวิตกกะสูตรสูตรนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องความคิด <c oughs> พูดถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะเลยเนะฮั่นบอกไว้เลยนะว่าความคิดของของเรานี่นะ เราแก้ไขได้นะเราผู้ใดสามารถเปลี่ยนความคิดว่าจะคิดเรื่องนี้หรือจะไม่คิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องโ น, น้นหรือจะไม่คิดเรื่องโน้นเนี่ยถ้าผู้ใดสามารถทําได้นะโดยความชํานาญโดยการฝึกให้มีความชํานาญที่ทําอย่างนี้ได้นะผู้นั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้หมายความมันเป็นปัจจัยอันหนึงอ่ะมันเป็นฐานอันหนึงอ่ะที่จะทําให้ ท่านบรรพ์พ้นทุกได้ท่านเขียนไว้เงี้เลยนะท่านบอกว่าปกติคนเนี่ยมันจะคิดอยู่สามอย่างคือกามวิตตกพยาบาอับอ พ, ยาาาพยาบาทวิพยาบาทวิตตกวิหิงสาวิตกสามอย่างเนี่ยเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดท่านบอกว่าพระภิกษุภิกษุใดเนี่ยได้ทําอธิจิตอธิจิตคือจเจริญ จเจริญเจริญสมถะเนี่ยนะถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยพอจเจริญแล้วเนี่ยไม่เป็นกุศลทักทิงฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยเป็นแต่กามวิตกอยู่เรื่อยเป็นแต่พญาตาทาวิตกอยู่เรื่อยเป็นแต่วิหิงสาวิตกอยู่เรื่อยบอกพระผู้ภาพราบองไม่เป็นไรเปลี่ยนเสียเปลี่ยนเสียไออารมณ์นั้นนะ่ะเปลี่ยนมาเอาอารมณ์ใหม่นะพระงให้เปลี่ยนเลยนะ ถ้าหากว่าท่านมีอารมณ์ใดเนี่ยแล้วจิตมันเป็นอกุศลนะให้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วหมก่ก็ยังไม่ยังไม่หายอ่ะก็ยังกรรมวิตกอยู่นั่นน่ะยังไม่หายนะ <c oughs> ท่านก็บอกว่าคิดถึงโทษคิดถึงโทษของวิตกนะโทษของวิตกนะมีวิบากเลวซามเนี่ย แแดงว่าความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะมันมีโทษนะวิตกเหล่านี้มีโทษมีวิบากเป็นทุกข์ท่านกล่าวไว้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันมันมันอันตรายนะแต่เมื่อคิดอย่างนี้แล้วนะมันยังเื้ออยู่มันก็ยังวิตกอยู่ว่ะเป็นอกุศลวิตกต่อไปนะท่านก็แนะไปเรื่อยเลยนะมีอยู่ถึงห้าชนิดนะบางชนิดบอกว่า อย่าคิดมาเลยเลิกคิดนะเลิกเลิกเพ่งเลิกพิจารณาอารมณ์นั้นเนอเลิกคิดเลิกไปทำอีกคนก่อนเนอะเขาบอกเลิกเลยนะ<ม>เห็นไห ม, มเพราะนั้นนะท่านอุบาของท่านเยอะนะอุบาสุดท้ายว่าไงรู้ไหมโอท่านบอกว่าให้ฟันกัดฟันเลยฟันกัดฟันเอาลิ้นดุนเพดานเลยหยุดให้หยุดคิดท่านเปลี่ยนเหมือนบอกว่าคนที่แข็งแรงไปบีบคออีคนที่อ่อนแอเลย หยุดนะหยุดนะกินอยู่คิดนั่นเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่กล่าวว่าใ น, นพระไตรปิฎกว่าเป็นวิธีอย่างหนึ่งนะที่จะพ้นจากอากุศลวิตกเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องวิตกนี่นะมันเป็นเรื่องที่ผมมีความสนใจมากๆเลยน่ะว่ามันมีอิทธิพลต่อเรามากเลยแม้แต่เดินจากบ้านาออกไปจากซอยเนี่ยนะเราจะวิตกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะในเรื่องของการคิดนึกนั้นมีความสําคัญมาก ชีวิตขนาดไหนบ้างที่ไม่คิดนึกมิตกกิด ร, ร่วมกับจิตกี่ตัวนะเจ็ดตัวเไยนะนะวิตกนั้นชีวิตของพวกเรานะโลภะก็มีวิตกวิตกที่เป็นไปกับโลภะเรียกว่ากามมิตกวิตกที่เป็นไปกับโทสะบางอย่างเป็นพยาบาทวิตกบางอย่างเป็น วิหิงสาวิตกได้วิตกที่ขาดเมตตาเป็นพยาบาทวิตกวิตกที่ขาดความกรุณาขาดความสงสารเรียกว่าวิหิงสาวิตกนันลแต่วิตกกับเป็นไปกับวิจิกิจฉานั้นท่านจาธิบายในลักษณะสงสัยวิตกที่เป็นไปกับความสงสัยเช่นสงสัยเอ้ในอดีตเราเคยเป็นอะไรนาะ ในอดีตเป็นอะไรแล้วจากเป็นอะไรไปเนาะอันนี้ก็อาศัยวิตกนั่นแหละทาให้เกิดทิฏฐิวิจิกิจฉาอันนั้นเกิดขึ้นแล้วจกเกิดทิฏฐิต่อไปเพราะว่าวิจิกิจฉากับทิฏฐิเนี่ยมันใกล้กันมากอ่าพวกนี้ก็เป็นประเภทของอุ่ผู้ส ล, ลวิตกในวิตกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้ารับปล่อยให้มันเกิดบ่อยๆเกิดมากมีโทษตัวเขาเองก็มีโทษเพราะ เพราะอะไรเขาเขาเป็นอกุศสนะ่ะขึ้นชื่อว่าอักุศนมีโทษและกําไรของเขาก็คือเป็นกําไรที่ไม่น่าปรารถนาะเป็นดิบากที่ไม่น่าต้องการถามว่าถ้าอักูสนวิตกเกิดขึ้นนั้นขณะนั้นเป็นอินทรีย์สังวรไหมเป็นศีลได้ไหมไม่ใช่ศีลด้วยไม่ใช่ปาติโมคขคสังวรไม่ใช่อินทรีย์สังวรเมื่อเป็นอย่างนี้ทํำยังไงในชั้นศีลเนี่ยทํำยังไงจะแก้อันนั้นอะไร ในชั้นศีท่านบอกว่าให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปให้เห็นโทษแล้วสมาทานเลยสมาทานที่จะไม่คิดแบบนี้อีกตั้งใจเอาใหม่มันคิดแล้วก็แล้วไปตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้ความคิดนี้มันเกิดอีกอันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรสําเร็จด้วยการอธิษฐานนะถ้าหากว่าปาฏิโมกสังวรสําเร็จด้วยการแสดงอินทรีย์สังวรสําเร็จด้วยการอธิษฐาน ปัจยะสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยการพิจารณาอาชีพสำเร็จด้วยการเพียรด้วยความสแสวงหาด้วยการปฏิบัติที่ถูกตามธรรมด้วยความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรข้อจิตเนรักษายากเมื่อรักษายากนั้นให้สังวรอันพระองค์นิสอนพระราหุลให้ตรวจสอบตรวจสอบวันะหลายๆครั้งเลยเช้าสายบ่ายเย็นได้ก็ยิ่งดีตรวจสอบความชิดตรวจสอบ พฤติกรรมตรวจสอบคำพูดถ้ารู้ว่าเป็นอกุศลนะถ้าล่วงละเมิดออกมาทางกายก็ไปแสดงคืนกับเพื่อนพรหมจัน์ถ้าหากว่าล่วงทางวาจาก็เหมือนกันแต่ถ้าล่วงมาทางใจก็อธิษฐานว่าจะไม่ให้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปอธิษฐานอย่างนี้ไปเรื่อยเห็นโทษของอกุศลไปเรื่อยคิดดูน ะ, ะเคยได้ยินว่าศาสนานี้ จเจริญด้วยการสังวรและสำรวมระวังต่อไปสมมุติถ้าหากว่าผู้ใดไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็ขอโทษพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าผู้เอ่อโทษเพราะความโง่ความเขลาของเธอเนี่ยได้เกิดขึ้นเธอได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความจเจริญในอริยวินัยของพระตถาคตดังนั้นการสังวรการสำรวม อันเราอย่าไปเสียใจเลยว่าเออเรานี่ทำไมผิดพลาดบ่อยจังไม่เป็นไรสํารวมหนึ่งครั้งเกิดขึ้นเป็นกุศลจิตหนึ่งทีอธิฐานแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อเื่อเดี๋ยวนานๆเข้าหิริโอตะปะมันจะเกิดขึ้นความเคารพตัวเองก็จะเกิดขึ้นนะพอความเคารพความยำเกรงเกิดขึ้นปับ๊บกุศลอื่นๆเกาจะเข้ามาไม่ยากนะนะประทำำําคําสอนที่เราศึกษามาเมื่อก่อนที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยสนใจคําสอนเหล่านั้นเราจะเริ่ม เอามาเพ่งเอามาคิดถ้าจนถึงเอามาเพง่งเอามาคิดพิจารณาในชีวิตได้ก็แสดงว่ า, วาเราก็ใกล้พระธรรมเข้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่อยๆใกล้พระธรรมเข้าไปอีกอันผู้ที่มีการพิจารณาพระธรรมจนมีความเข้าใจอย่างทองแท้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ตรึกตามความเห็นที่ถูกต้องนั่ น, น, นแหละนะมีความเห็นที่ถูกต้องในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วก็ตรึกตามนั้นการตรึกนั้นเป็น เป็นอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะนั่นเป็นเนคขมมะสังกัปปะนะขณะนั้นเป็นเนคขมมะสังกัปปะเพราะตรึกตามตามพระธรรมที่ที่ได้ศึกษา ม, มาตรึกตามพระธรรมอ่าท่้นวิตกนี้การตรึกอย่างนี้บ่อยๆนะวิตกวิตกนี้เป็นฌานไหมเป็นฌานมีกี่อย่างฌานมีสองอย่างลักขณูปนิสฌานกับ อารัมณูปนิสชาญพอตรึกไปในเมตตามากๆก็เป็นอารัมณูปนิสชาญตรึกไปในเรื่องรูปนามขันห้ามากๆก็เป็นลัคนูปนิสชาญอันถ้าหากว่าตรึกบ่อยๆอาศัยพื้นฐานที่เราเข้าใจพระธรรมหมวดนั้นอยู่แล้วเห็นเพ่งเพราะฉะนั้นข้อความที่พระผู้มีพระภาคแสดงกับท่านพระโพธิละปัญญา ย่อมไม่ย่อมไม่เกิดเพราะการไม่ประกอบปัญญาเกิดเพราะการประกอบอนะผู้เห็นทางสองแพร่งนี้แล้วก็พึ่ประกอบหนทางที่จะทำให้ปัญญาได้เกิดขึ้น น, นะอยู่ในคาถาธรรมบทนะจะพอในคาถาธรมาาธรมบทถ้าฉบับนี้เล่ม 4ี่สิบาอ่ะเล่มสี่สิบตามในคาถาธรรมบทที่สูตรว่าด้วยจับเฮียน่แหละดิ น, นะจับเียชื่อพร ะ, ะเรื่องพระโปติละนะพระโปติละท่านกล่าวไว้คือท่านกล่าวว่าเพราะผู้มีพระภาคนะทรงสแสดงว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ บัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อม น, นั่นความเสื่อม น, นั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญขึ้นได้คำว่าโยคาหรือคำว่าประกอบในที่นี้ก็คือกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยบขายในอารมณ์38อย่างนนในอารมณ์กรรมฐานต่างๆแล้นถ้าเราไม่คิดเราไม่สังวรไม่สำเนียบเราก็ปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศล เพราะการตรึกการคิดอย่างนี้บ่อยๆมากๆกก็คือการที่ไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปในวิตกทั้ง3นะถ้าหากว่าเราปล่อยจิตให้ไหลไปในอกุศลมิตกทั้ง3าประการที่เป็นไปกับอกุศลแล้วนะกรรมนะเราต้องนึกถึงกรรมมาปัจจัยไว้เลยขณะนั้นประโยคะกข้าวิบัติในขณะที่อกุศลแจิตเกิดขึ้นบ่อย วิบากที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปก็ไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันชาวนะดวงที่หนึ่งของความคิดเหล่านั้นมีผลไหมมีผ ล, ผลทิฏฐธรร ม, มเวทนิยกรรมสามารถที่จะกําหนดชีวิตแล้วคิดในเรื่องไม่ดีมากๆนะแสดงว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเราก็มีแต่ความล่มจมเสื่อมสลาย <c oughs> ทีนี้ต่อไปอีกดวงที่เจ็ดว่าความคิดนี้บางครั้งมันล่วงกรมบดนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ย บางคั้งก็ล่วงกรรมาบทนะคิดแช่งชักหักระดูกใครเข้ า, าสวยและวหรือว่าคิดไปไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขณะนั้นก็เป็นให้ผลชั่วดวงที่เจ็ดให้ผลนําเกิดเพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะสิ่งที่มีโทษมากที่สุดเลยเพระองค์บอกว่ามิจฉาทิฏฐินี่มีโทษมากที่สุดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดจากการคิดเขาบอกว่าถ้าคิดถึงเจ็ดครั้งอนะัชวนะเล่นประมาณเจ็ดครั้งแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไขไม่ได้นะอย่าว่าองค์เดียวเลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาหนึ่งพันพระองค์ให้มาแก้ไขความคิดอ น, นั้นไม่ได้คนนั้นดิ่งไปจะล้วะขนาดนั้นเลยอ่าพบหลายแหกพูดเร่องกันไม่ได้เลยพูในเะน้ไม่มีผลพูดเกีย่ยวกัครานี้ไปเลยดีกว่าคือเชื่ อ, อยังงั้นไปแล้วเกิดความเชื่อนี้ขึ้นนะอ๋อต้องเชื่อจริงจงดิ่งไปเลยอ่ะดิ่งไปอย่างนั้นโอ้ยอย่างนั้นจริงๆริๆอะ พอดิ่งไปลักษณะนั้นปั๊บก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้แก้ความคิดให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงโทษมากกว่าอนันตริยกรรมนะโทษมากกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์สรุปแล้วนะความคิดของเราน่ากลัวที่สุดไอวิ์ตกอันนั้นน่ากลัวที่สุดนะถ้าคนจะดีจะชั่วจะขึ้นนรกอาจจะตกนรกนี่เนาะขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขึ้นแนละ้ถ้าขึ้นก็พ้นจากนรกจะตกนรก ซึ่งสวรรค์ก็เพราะความคิดนั่นแหละเพราะความคิดนหพระพุทธเจ้าก็เพราะคิดนั่นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คิดว่าคิดยังไงเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยก็ ค, คิดนั่นแหละก็เลยมีพฤติกรรมคําพูดเพื่อสนับสนุนความคิดใครที่มีความคิดแคบโลกของเขาก็จะเป็นโลกที่ขับแคบคิดกว้างโลกของเขาก็ไปสู่โลกกว้าง ถ้าใครคิดได้จนระดับอับปปมัญญาเป็นความคิดที่ไม่มีประมาณความคิดอ น, นั้นเป็นชาณจิตไปสู่โลกที่โลกไหน<ล>พรห ม, มโลกโอ้คิดกได้ใครได้คิดได้ขนาดนี้นี่วิเศษเลยนะนั่นแหละแต่ก็ยังว่านะแค่คิดจะให้กับการรบเนี่ยเสมอกันพระองค์ว่ายอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ว่าพราะโพธิละใช่ไหมฮะเจนพรที่ว่ามาเจอทางสองสองสองแท่ง สแพ่งก็คือการประกอบกับการไม่ประกอบการคําว่าประกอบหมายถึงว่ายนิสโสมนสิการใช่ไหมครับเจนพอ่อคำว่าประกอบนี่นะฮะคาว่าประกอบนี่ก็ประโยค่าก็เหมือนกั น, นรประกอบไม่ว่าประกอบคือท่านพระโพธิละนี่เป็นเป็นผู้ทรงพระต่ายพิดกอยู่แล้วอ๋อเ ป, เป็นพระฮะเป็นพระที่ทรงพระต่ายพิดกอยู่แล้วท่านก็อสอนลูกศิษย์ท่านเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปทีนี้ท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลย ตอนหลังพระ อ, องค์ก็จะสงเคราะห์นะเห็นพระโปติละมาก็บอกมาแล้วเหรอโปติละเปล่าไปแล้วเหรอโปติละเปล่าทักอยู่แต่อย่างนี้เ ร, รื่อยน้อยใจนี่ว่าเราเปล่าก็เลยอย่างเราเนี่ยมันจะกี่วันเชีเกิดมานะไปก็ไปหาคืออ่าท่านเคยแต่สอนคนอื่นนะนะแต่จะเอามาใช้เองจริงๆมันใช้ไม่เป็นอ่ะจะเอาสูตรไหนดีวะเนี่ย <c oughs> ก็เลย ไปอยู่ในป่าไปถามพระในในวัดแห่งหนึ่งก็ไล่ถามไปเรื่อยๆจนถึงสั ม, มนเนนสั ม, มนเนนก็เลยจะลดมานะดูว่าอาจารย์เนี่ยหมดมานะหรือยังบอกว่าอาจารย์ลงน้ําท่านก็เดินไปลงน้ํานึ่งนะจีวรจะเปียกบอกนิมนุ์ขึ้นมาเถอะท่านก็คําเดียวท่านก็ขึ้นมาสั ม, มนเนนนะอายุเจดขวบแต่เป็นธาตุอาหารบอกเสร็จแล้วก็บอกว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีหกรูว่างไงมันก็ปิดห้ารูแล้วก็ อุอารูสุดท้ายนะอุดห้ารูที่เหลือทั้นท่านก็บอกว่าท่านก็เข้าใจทันทีเลยก็คือพึงตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวารนันะตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวารเสร็จแล้วท่านก็พิจรารณาธรรมะอยู่พระองค์ก็แป่งรัศมีมาแล้วก็กล่าวคาถาบทนี้จบท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็คือท่านไม่เคยเอามาตรึกตามพระธรรมหรือไม่เคยเอามาใช้ ในลักษณะเออนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เอามาสนใจเลยเพราะท่านก็คิดแต่จะสอนเออคนนี้ต้องรู้เรื่องนี้คนนี้น่าจะเหมาะเรื่องนี้คนนี้เนี่ยน่าจะรู้สูตรนี้อะไรเงนะก็สอนไปอย่างนั้นออสาหรับที่ความหมายว่าไอ้จอมปลวกมีห้ารูเนี่ยนะฮะเจนพาลแล้วก็ปิดปิดหกใช่ไหมฮะแล้วปิดเสียห้าเจนพานเหลือหนึ่งใช่ไหมฮะเจนพาลแล้วก็จับเฮียได้ไหมกันเถอะเจนพาลใช่ไหม อันนี้แปลแปลว่าให้คือให้ตั้งกรรมฐาน <ไว S 2> ก ร, ราไว้ในมโนทวาร ม, ม, มโนทวารอันนี้มีในหลักฐานไหมนนันครับอ่ น, นะท่านท่านท่านกล่าวไว้อย่างนั้นมีนใช่ไหมฮะเจนพาดคือบางแห่งได้กล่าวไว้ไม่ใช่อย่างนี้กล่าวไวไ้หมายความว่าให้พิจารณาแต่ละทวาลคือถึงถึงอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะสมมติถ้าหากว่า ผู้ที่มีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเจริญกรรมฐานจริงๆเป็นกรรมของกรรมทางมโนทวารใช่ไหมเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางมโนทวาร น, นั้นกรรมอันนั้นเนี่ยจะมาพิจารณาทางจากักรทวารก็ได้เพราะว่าตัวที่ต้องการอบรมจริงๆก็คือมโนทวารวิถีไม่ใช่ปัญจทวารวิถีตัวที่ต้องการอบรมจริงๆคือตามหลักบริยัติแล้วเนี่ยหมายความว่าเมื่อตาเห็นสีเจรา น, น, นะครับ ก็หมายเขาว่าไอ้ทวารอื่นน่ะไม่ปิดหมดเลยท่านท่านหมายอย่างนี้นะฮะไอ้ทวารหูทวารจมูกทางลิ้นทางใจปิดหมดเลยเหลือทวารเดียว่ให้พิจารณาอันนั้นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ผิดหรือถูกครับก็ก็ไม่ถึงกับผิดนะจะว่าไปคือแต่ว่าในขณะ น, นั้นเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าคนเนี่ยเห็นทีละทวารอันนี้ก็อีกในหนึ่งแต่หมายคขาว่าถ้าผู้ที่เข้าใจพระธรรมนะสมมติถ้าคนที่พิจารณาเรื่องทางตา ม, มากๆ ก็จะคิดแต่เรื่องทางตามากๆนะเราเราใช้คําว่าโยนิโสหรือมีสติแต่เราไม่ใช้คําว่าสตินะเรามาใช้คําว่าคิดเรื่องนี้มากๆคิดเรื่องทวารตามากๆคิดเรื่องตาคิดเรื่องสีเรื่องจักรคูวิญญาณเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาเรื่องตันหาเรื่องอุปาทานเรื่องพบที่เกิดไหลมาจากทวารตาเป็นอย่างเดียวเนี่ยคือเพ่งในลักษณะนี้มากๆก็หมายความว่าจิตกระโดงแล้วนะครับถ้าจะคิดตรงนี้เนี่ยกําจริงๆอ่ะตัว ตัวกรรมเนี่ยเป็นมโนทวารเป็นเป็นมโนทวารเพราะว่าวิบากจิตเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะเจขณะที่เห็นเนี่ยนะขณะจิตนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาเกิดขึ้นด้วยไม่มีสติร่วมด้วยไม่มีอะไรเลยมีเจตสิกเจดวงนั่นเองอะภาษาเวทนาสัญญาเจตนายกถาชีวิตที่ไม่มีอะไรที่จะจ <น S 1> จเป็นอ่แล้วถ้าเฉพาะในดวงนั้นนะถ้าทำทุกหมวดเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกได้แก่อะไร อริยมรรคประกอบด้วยองแปดอริยมรรคจะเกิดประกอบด้วยองแปดจะเกิดทางจากคูทวาลเนี่ยมันเกิดกระดวงไหนใช่ไหมมันก็นั้นถ้าตั้งแบบนั้นก็เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอริยมรรคประกอบไปด้วยองแปดแม้แต่วีรติก็ต้องเกิดร่วมกับชวาวนาไปแล้วโดยที่สุดแม้แต่วีรติก็เกิดกับชวาวนะนั่นแหละหมายความว่ามันมันเป็นกิจการงานทางทางมโนทวาลทางใ จ, <น S 2> จ, จแต่ว่า ก็คงจะพิจารณาได้ทีรทวารทำนอง น, นั้นไปฮะหรือว่าจะให้ซ้ําๆกันทวาร น, นั้นแล้วแต่ว่าตรงกับอุปนิสัยผู้ใดใช่ไหมครับก็ส่ว น, นหรื อ, รอว่าหลังจากตายแล้วอาจจะมาพิจารณาทวารอื่นก็ได้นอนอ่า<ช>ยัางนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ า, าต้องทางมโนทวารกรรมที่ปฏิบัติจริงๆก็คือตัวปฏิบัติตัวเจริญจริงๆคือมโนทวาร พูดง่าว่าตัวประกอบน่ยอยู่ที่มโนทวารนะครับตัวโยว <emperor? S 2> คะตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของมโนทวารอ่ามโนทวารอันนั้นเนี่ยมันก็เมื่อกี้เราพูดถึงวิตกนะแล้วแต่เราจะคิดอ่ะเอามโนทวานนั้นมาคิดเรื่องจากขู่ทวารก็ได้เอามโนทวานคิดเรื่องสโสตาก็ได้คิดเรื่องทางหูก็ได้เอามโนทวานมาคิดถึงเรื่องทางกายก็ได้เอามโนทวานมาคิดเรื่องเล็บก็ได้แล้วแต่จะน้อมไปอ่าวิตกแล้วแต่คิดเอาอ่ะ แล้วมันสองแพ่งยังไงล้วครับแพ่งนึงเนี่ยฝ่ายดีแล้วเห็นแล้วถ้า อ, อีกแพ่งนึงหมายความว่าคุณูสมิตรตรงไหครับก็ไม่คิดเรื่องเนี้ยก็ไม่คิดเรื่องนี้ใช่ไหมเซนทรอนไม่ไม่เอาไม่สนใจในการเจริญความคิดลักษณะนี้เนี่ยเป็นทางเสื่อมการเจริญความคิดลักษณะนี้บ่อยๆเป็นความความเจริญครับพูดอีกในหนึ่งนะอ่าถ้าเราคิดเรื่องเมตตาโทสะไม่เกิดถ้าคิดเรื่องโทสะเมตตาไม่เกิด จะเอาไงอะคันี้บอกไม่คิดได้ไหมไม่ได้มันต้องคิดอยู่แล้วถ้าคิดเรื่องพยาบาทวิตตกเมตอัพยาปาธาหรือเมตตาไม่เกิดถ้าคิดเมตตาพยาบาทไม่เกิดฉั้นถ้าตรึกสิ่งใดๆมากฝ่ายหนึ่งจะหมดไปตรงนี้ก็อ่าวิตกนั้นๆจะเกิดขึ้นมากในทเวทาวิตกะสูตรอะสูตรก่อนหน้านั้นเมื่อกี้ที่ภูการกล่าวเนี่มัสูตรที่สิบสูตรที่เก้าก่อนหน้านั้นอีกสูตรนึง แล้วแต่จะตรึกถ้าตรึกอันใดอันหนึ่งมากอีกอย่างก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักทางสองเพ่งคือคือการตรึกการสายใจการเพ่งมากๆอันนั้นแหะคือข้อปฏิบัติเพราะว่าข้อปฏิบัติคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาอันในการคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดอย่างไรเป็นศีลคิดอย่างไรเป็นสมาธิคิดอย่างไรเป็นปัญญา คิดเป็นศีนนั้นต้องเป็นไปกับเจตกปริสุทธิศินใช่ไหมถ้าคิดเป็นสมาธิคิดอย่างไรจึงจะเป็นเมตตาถ้าคิดเป็นวิปัสสนาคิดอย่างไงจึงจะเป็นปริญญาสามนั่นแหละ